จรอ่อนพอรนท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หนึ่งพฤภาคมพุทธศักราช2554เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจะภารกิจการงานต่างๆ จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาประกอบคุณงามความดีต่างๆทางกายทางวาจาและทางใจเพราะมีความเชื่อในหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงตัดสอนไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน จะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นกรรมนี้ก็คือการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจทางกายเรียกว่ากายกรรมทางวาจาเรียกว่าวาจีกกรรมทางใจเรียกว่ามโนกรรม กรรมนี้ก็มีอยู่3ลักษณะด้วยกันคือบุญเรียกว่ากรรมดีบาปเรียกว่ากรรมชั่วและการกระทําที่เป็นกลางกลางคือไม่เป็นบุญไม่เป็นบาป <c oughs> นี่คือการกระทําที่เรากระทํากันอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่น ถึงเวลาหลังว่าเราตื่นขึ้นมาเราก็เริ่มด้วยมโนกรรมคือความคิดของเราคิดว่าวันนี้เป็นวันอะไรจะต้องทําอะไรบ้างเมื่อเรารู้ว่าเราต้องทําอะไรเราก็สั่งให้ร่างกายไปทําตามคําสั่งสั่งให้วาจาไปพูดตามคําสั่ง เมื่อพูดแล้วทำแล้วผลก็จะเกิดขึ้นที่ใจคือความสุขความทุกข์หรือความไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นอยู่กับการกระทำถ้าใจคิดดีพูดดีทำดีใจก็จะมีความสุขอย่างวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาใจก็สั่นว่า วันนี้ต้องมาวัดมาทำบุญมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ได้ออกเดินทางมาถึงที่วัดด้วยการสั่งให้ร่างกายขับรถให้เดินมาที่วัดวาจาก็ชักชวนเพื่อนฝูงญาติสนิทให้มาร่วมทำบุญกัน ในขณะที่ทําการเหล่านี้ใจก็จะมีความเย็นมีความสุขมีความสบายใจและเมื่อได้มาถึงที่วัดได้ถวายของเรียบร้อยแล้วใจก็มีความสุขมีความสบายนี่คือเรื่องของกรรมและวิบากที่เกิดขึ้นในเวลาอันใกล้กับการกระทํา คือพอทำปั๊บผลก็เกิดขึ้นเลยไม่ต้องรอพบหน้าชาติหน้าผลเกิดขึ้นในใจของเราแล้วคือเราได้สะสมความสุขไว้ในใจเราแล้ ว, ลวซึ่งความสุขนี้ถ้าเราสะสมไปมากๆเวลาที่เราตายไปความสุขนี้ก็จะพาให้เราไปสู่สุคติ ได้ไปเป็นเทพเป็นพรเป็นพระอาริยเจ้าขั้นต่างๆส่วนในทางตรงกันข้ามถ้าเราคิดไม่ดีคิดร้ายต่อผู้อื่นเช่นวันนี้คิดจะไ ป, ปร้นไปขโมยไปทำบาปทำกรรมเวลาเราคิดนี้ใจของเราก็จะเริ่มมีความไม่สบายใจแล้ว แล้วหลังจากที่เราได้ไปทําบาปแล้วใจของเราก็จะมีความวุ่นวายมีความวิตกมีความกังวลมีความหวาดกลัวเพราะรู้ว่าสิ่งที่ทําไปนี้จะต้องมีโทษตามมาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ตํารวจมาตามจับตัวจะต้องมีเจ้าทุก์ ต้องมาตามอาฆาตพยาบาทราแคานเนื่องจากการกระทำที่ไม่ดีของเรานั่นเองนี่ก็เป็นผลที่เกิดขึ้นในขณะที่ทำในปัจจุบันแล้วมันก็จะสะสมเป็นเหมือนกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเราทั้งส่วนที่เป็นความสุขและส่วนที่เป็นความทุกข์ ทุกครั้งที่ทำบุญก็จะเติมความสุขเข้าไปเหมือนเราเติมน้ำมันรถทุกครั้งที่เราทำบาปเราก็จะเติมความทุกข์เข้าไปในใจของเราและเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายของเราต้องหยุดทำงานไม่หายใจร่างกายก็จะกลับคืนไปสู่ดินน้ำลมไฟ ส่วนใจนี้ก็จะถูกคิดบัญชีระหว่างบัญชีบุญกับบัญชีบาว่าใครมีกำลังมากกว่ากันถ้าเป็นกำลังบาปมากกว่าก็จะพาไปสู่อบายต้องไปตกนรกบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นเดรัจฉานบ้างถ้าบัญชีบุญ มีกำลังมากกว่าบัญชีบาก็จะส่งให้ไปเกิดบนสวรรค์ไปเป็นเทพเป็นครูไปเป็นพระอาาริยเจ้ายกตัวอย่างเวลาที่พระพุทธเจ้าในสมัยที่ทรงเป็นพระเวชสัมดอทรงทำบุญมากกว่าทำบาปทำบุญอยู่อย่างสม่ำเสมอเสียสละ ทรัพสมบัติข้าวของเงินทองให้แก่ผู้อื่นไปพอหลังจากที่พระองค์ร่างกายของพระเวชสันดร น, นี้แตกดับไปใจของพระเวชสันดรก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นเทพแล้วหลังจากนั้นก็ได้กลับลงมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะได้ตัดสรนว เป็นพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนพระเทวทัตที่เป็นผู้ที่คอยปองร้ายพระพุทธเจ้าพยายามที่จะปลงพระชนถึงสามครั้งด้วยกันเนื่องจากมีความโกรธแค้นที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงมอบอำนาจให้เป็นผู้ปกครองสงฆ์แทนพระ อ, องค์ ก็เลยพยายามปรอกพยายามปงผชนถึงสามครั้งด้วยกันส่งคนไปฆ่าก็ไม่สำเร็จปล่อยช้างให้มาเหยียบก็ไม่สำเร็จกิ่งก้อนเหินลงมาจากภูเขาก็ไม่สำเร็จแล้วในที่สุดความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากการทำบาปทั้งสาครั้งนี้ก็ทำให้ ต้องไปขอขมาราโทษจากพระพุทธเจ้าและถูกธรณีสูญไปพอตายไปพระพุทธเจ้าก็ทรงต่าทว่าต้องไปใช้กรรมในนรกก่อนเพราะกรรมที่ทํำนี้เป็นกรรมที่สาหัสอย่างยิ่งเป็นอนันตาริยกรรมคือกรรมที่หนักที่สุด ถ้าเปรียบเทียบกับทางโลกก็ต้องเป็นโทษประหารชีวิตโดยถ่ายเดียวอนันตริยกรรมนี้ก็มีอยู่5ข้อด้วยกันคือ 1. น่ฆ่าบิดา 2. อฆ่ามารดา 3. าฆ่าพะาระอรหันต์สีทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดและทําทำให้สงเกิดความแตกแยก การกระทำเหล่านี้ถือว่าเป็นกรรมหนักต่อให้ได้ทาบุญมามากน้อยเถึงไรก็ตามก็ยังต้องไปใช้กรรมต้องไปตกนรกก่อนเช่นพระเทวทรรัตถึงแม้ได้บวชมาหลายสิบปีได้ได้อิทธิฤทธิ์ได้รักษาศีลแต่ขาดปัญญาถูกอำนาจของกิเลสความมักใหญ่ไฟสูง ครอบงำจิตใจจึงทำให้ต้องไปพยายามกรงพระชนของพระพุทธเจ้าถึงสามวาระด้วยกันพอตายไปบุญบัญชีของบุญนี้มีกำลังน้อยกว่า บ, บัญชีของบาปก็เลยต้องไปตกนรกแล้วหลังจากนั้นก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่และจะได้ตัดสรู้เป็นพระประเจกพุทธเจ้าต่อไป นี่แสดงว่าบุญที่ทำไว้ก็ไม่สูญหายไปไหนบาป ท, ที่ทำไว้ก็ไม่สูญหายไปไหนเพียงแต่ว่ารอเวลารอจังหวะในระหว่างการต่อสู้ระหว่างกําลังของบุญและของบาปว่าส่วนไหนจะมีกําลังมากกว่ากันถ้ากําลังบาปมีมากกว่าก็ต้องไปรับผลของบาปถ้ากาลังบุญมีมากกว่า ก็ไปรับกำลังผลของบุญอย่างยกตัวอย่างอีกตัวอย่างก็คืออมคุลีมาอมคุลีมานี้ก็ฆ่าคนถึง999าคนแต่พอมาพบพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถฆ่าพระพุทธเจ้าได้เพราะพระองค์นี้มีอิทธิฤทธิ์ที่ทำให้ไม่สามารถวิ่งตามพระพุทธเจ้าได้ทันจนต้อง ขอร้องให้พระพุทธเจ้าหยุดพระพุทธเจ้าก็เลยใช้คําตอบเพื่อเป็นการสอนโอกลีมานว่าเราหยุดแล้วเธอต่างหาที่ยังไม่ได้หยุดโอกลีมานก็บอกว่าพระองค์บอกว่าหยุดแต่ทําไมข้าพเจ้าวิ่งตามไม่ทันพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าเราหยุดแล้วจากความโลภความโกรธความหลง ความอาฆาตพยาบาท ค, ความโกรธแค้นกดเคืองพอทรงตัดอย่างนั้นองคุลิมาลก็ได้สติรู้ว่าตนเองได้กระทำบาปมามากมายกายกองจึงเลิกแล้วก็ขอบวชกับพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ปฏิบัติจนจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พอได้เป็นพระอรหันต์แล้ว วิบา ก, กรรมต่างๆที่เคยทำไว้ในอดีตชาติหรือในปัจจุบันก็จะไม่สามารถส่งให้ไปเกิดใหม่ได้อีกแล้วเพราะพระอารหันต์นี้เป็นผู้ที่หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วท่านหยุดใจได้เหมือนกับเราหยุดรถยนต์รถยนต์ถ้าเราไม่มีเบรกเราไม่รู้จักเบรกรถยนต์รถยนต์จะวิ่งไปเรื่อย แต่ถ้าเรามีเบรกเราก็จะสามารถหยุดรถยนต์ได้ใจของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่วิ่งอยู่ตลอดเวลาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดเวลาพอตายจากภพนี้ไปก็ไปเกิดใหม่ด้วยกำลังของกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆส่วนจุดหมายปลายทางที่ไปก็ขึ้นอยู่กับบุญและบา ถ้าบุญก็จะไปสุขคติถ้าบาปก็จะไปอบายหรือไปทุกขติก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆตราบใดที่เรายังไม่สามารถหยุดกิเลสตัณหาที่เป็นตัวผลักดันใจของเราให้ไปสแสวงหาความสุขต่างๆในพบต่างๆได้แต่ถ้าเราได้พบกับพระพุทธเจ้าเช่นองค์โคลิมาน และได้รับการสอนที่ถูกต้องไม่นานก็สามารถทำใจขององคุลิมานี้ให้หยุดจากการโลภความโกรธความหลงหยุดจากความอยากต่างๆได้พอร่างกายขององคุลิมานตายไปใจขององคุลิมานก็ไม่ไปเกิดอีกแล้ว ถึงทั้งๆที่ได้ทำบาปมาอย่างร่นแลงอย่างมากมายแต่ไม่กำลังของบาปนี้ไม่มีกำลังมากพอที่จะถักให้ไปเกิดอีกต่อไปนี่ก็คือเรื่องของกรรมและวิบากที่พวกเราทำกันอยู่ถาพใดที่เรายังไม่สามารถหยุดใจของเราหยุดความโลภความโกรธความหลง ความอยากต่างๆของเราได้ตราบนั้นเราก็ยังต้องไปใช้บาปใช้บุญใช้ตามตามอำนาจของบาปและบุญที่เราทำไว้ด้วยการด้วยการผักดันของความโลภความอยากของเราแต่ถ้าเราสามารถตัดความความโลภความอยากต่างๆได้หมดไปจากใจแล้ว ถึงแม้จะมีบาปหรือบุญอยู่ภายในใจมันจะไม่มีกำลังที่จะไปเกิดใหม่ได้เพราะมันเป็นเหมือนผู้โดยสารที่อยู่ในรถยนต์ถ้ารถยนต์หยุดวิ่งดับเครื่องผู้โดยสารก็ไม่สามารถไปไหนได้เพราะรถยนต์ไม่ไปแล้วแต่ถ้ารถยนต์ยังวิ่งอยู่ ผู้โดยสารหรือคนขับก็สามารถที่จะบังคับรถให้ไปทางซ้ายหรือไปทางขวาได้ไปทางบุญหรือไปทางบาปได้ผู้โดยสารหรือคนขับนี้ก็คือบุญและบากนั่นเองที่นั่งอยู่ในรถคือใจของเราถ้าใจของเรายังหมุนไปกับความโลภ ก, กับความอยากอยู่ความบุญและบาปนี้ก็จะสามารถดึง หรือขับให้ใจของเรานี้ไปนรกหรือไปสวรรค์ได้นี่คือเรื่องของกรรมและวิบากที่เกิดขึ้นในใจและใจเป็นผู้กระทาแต่เป็นสิ่งที่พวกเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของร่างกายเพราะว่าร่างกายนี้เป็นส่วนหยาก ร่างกายมองได้แต่สิ่งที่เป็นส่วนใาญแต่ส่วนที่ละเอียดที่เป็นนามธรรมคือใจนี่เราไม่สามารถมองเห็นได้เราต้องใช้ใจดูใจและวิธีที่จะดูใจเราก็ต้องปิดทวารทั้งห้าคือตาหูจมูกลินกายแล้วหนึ่งใจให้เข้ามาข้างใน ขณะนี้ใจของเราออกไปตามทวารทั้งห้าอยู่ตลอดเวลาเหมือนน้ำที่ไหลออกไปตามช่องต่างๆออกไปทางตาออกไปทางหูออกไปทางจ ม, มูกทางลิ้นทางกายไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะแล้วก็ไปมีอารมณ์กับสิ่งที่รับรู้ ไปเกิดสุขเกิดทุกข์กับสิ่งที่รับรู้ถ้าสิ่งที่รับรู้เป็นสิ่งที่ถูกอกถูกใจก็เกิดความสุขขึ้นมาถ้าสิ่งที่รับรู้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกอกถูกใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็เป็นตัวผลักดันให้ไปมีความโลภความโกรธต่อไปถ้าเกิดสัมผัสกับสิ่งที่ชอบมีความสุขก็อยากจะได้ก็จะไป ไปเอามาด้วยวิธีการต่างๆถ้าเอามาด้วยวิธีที่ไม่ไม่เป็นบาปได้ก็เอามาแต่ถ้าเอามาไม่ได้ด้วยวิธีสุดจริญจะต้องทำบาปก็เอามาเช่นคนอยากได้เงินได้ทองบางคนก็ไปทำมาหากินบางคนไม่มีงานทำก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินก็ไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นก็เป็นทำบาป แล้วก็ถ้ายังไม่พอใช้ไปกู้หนี้ยืมสินคนอื่นไม่ได้แล้วเพราะว่าเขารู้แล้วว่าไม่มีปัญญาที่จะคืนให้กับเขาก็ต้องไปทำทุจริตไปช่อโกงไปลักขโมยไปป้นธนาคารแล้วก็อาจจะต้องไปฆ่าผู้ในขณะที่ทำการป้นนี่ก็เลยต้องไปทำบา พอทำบาปแล้วก็เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาสะสมอยู่ภายในใจไปเป็นบุญในบัญชีบาปส่วนบัญชีบุญนี้ไม่ต้องพูดถึงไม่มีทางที่จะทำได้เลยเพราะถูกอำนาจของความอยากแต่ไม่มีความสามารถที่จะหาเงินมาได้ด้วยวิธีสุดจริตได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้ส่วนในทางตนกันข้าม ถ้าเป็นคนที่ใจบุญซื่อสัตย์สุดจริตถึงแม้อยากจะได้อะไรก็พยายามหามาได้ด้วยวิธีที่สุดจริตหามาได้ถึงแม้จะไม่ได้มากก็ค่อยเก็บหอมรอมริบเอาไว้ทำงานได้เงนินเดือนมาก็พยายามเก็บเอาไว้ไม่ใช้สอยใช้เท่าที่จำเป็นต่อไปก็จะมีเงนินมีเงินพอที่จะซื้อสิ่งที่ตนองอยากได้ และมีเงินพอที่จะเอาไปทำบุญนี่ก็เป็นคนที่จะมีแต่สร้างบัญชีบุญมากกว่าสร้างบัญชีบาปนี่ก็เป็นผลเพราะว่าต า, าใจของเรานี่ไหลออกไปทางทวารทั้งห้าทำให้เรานี้ไม่รู้จักใจของเราเลยไม่เห็นใจของเราไม่รู้ว่าใจของเราเป็นอะไรรู้อยู่กับเรื่องที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วก็ไปหลงคิดว่าเป็นของเราเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราแต่ในขณะเดียวกันใจของเรากลับมีความรุ่มร้อนทุกทรมานอยู่ไม่รู้จักจบจากสิ้นทุกทรมานจากการทาบาปทุกทรมานจากการอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรือทุกทรมานจากการสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปนี่เป็นสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเรากำลังสร้าง ความทุกข์ให้กับใจของเราเพราะเราไม่เคยมองใจของเราเลยเราไม่รู้ด้วยว่าเรามีใจเราคิดว่าเรามีเพียงแต่ร่างกายเท่านั้นเราได้ยินว่าใจว่าเวลาเรามาฟังเทศฟังธรรมเราก็ได้ยินว่าใจเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเราไม่รู้เราไม่เคยเห็นเลยเพราะเราไม่เคยหันเข้ามาดูใจของเรานั่นเองถ้าเราอยากจะดูใจนี้เราสามารถดูได้ เราต้องปิดตาหูจมูกลิ้วกายแล้วก็ดึงกระแสใจคือความคิดของเราให้เข้ามาข้างในเพราะปกติใจของเราจะคิดถึงเรื่องราวต่างๆอยู่ตลอดเวลาเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผดทปะเรื่องราบยศสรรเสริญเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้นี่เป็นเรื่องของภายนอกทั้งนั้นเราตอนนี้ถ้าเราอยากจะดูใจของเราว่าเป็นอย่างไรเราต้องหยุดเรื่องราวเหล่านี้ ด้วยการอาศัยเครื่องดึงใจเข้ามาที่เรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานนี้จะเป็นอารมณ์ที่จะดึงใจให้เข้าข้างในเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธนี้ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งถ้าเราบริกรรมถ้าเรานั่งขัดสมาธิหลับตาแล้วก็ไปหาสถานที่สงบไม่มีเสียงไม่มีอะไรมารบกวนแล้วเราก็นั่งหลับตา เช่นไปอยู่ตามป่าตามเขาพวกรูปเสียงกลิ่นโน้นดทพะะต่างๆก็จะไม่เข้ามารบกวนใจของเราแล้วเราก็มีสติให้อยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธเพื่อที่ระงับความคิดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆพอเราสามารถอยู่กับพุทโธได้อย่างต่อเนื่องความคิดต่างๆก็ไม่สามารถปรากฏขึ้นมาได้ พอไม่มีความคิดต่างๆความสงบก็จะค่อยๆปรากฏตัวขึ้นมาจนในที่สุดก็จะนิ่งคือความคิดจะหายไปหมดพอตอนนั้นแล้วเราก็จะเห็นตัวรู้คือตัวใจที่เรียกว่าสักแต่ว่ารู้เวลาใจสงบรวมตัวเป็นหนึ่งใจจะปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นได้อย่างเด่นชัดเราจะรู้เลยว่านี่คือใจ ไม่ใช่กายนี่คือผู้รู้ผู้ที่สั่งการให้เราคิดเรื่องราวต่างๆสั่งการให้ร่างกายไปทำต่างเรื่องราวต่างๆให้ไปพูดเรื่องราวต่างๆแล้วเราจะรู้ว่านี่แหละคือผู้ที่ทำกรรมที่แท้จริงเป็นผู้ที่รับผลของกรรมด้วยทำแล้วเกิดความสุขความทุกข์ขึ้นที่ใจไม่ได้เกิดที่ร่างกาย ร่างกายนี้ไม่มีความรู้สึกความรู้สึกทั้งหมดนี้อยู่ที่ใจใจไปรับรู้จากร่างกายเพราะกระแสะของใจนี้แผ่ไปทั่วทุกอนูของร่างกายเวลาอะไรมาสัมผัสร่างกายใจจะรู้ทันทีเวลาความเย็นมาสัมผัสก็รู้ความร้อนมาสัมผัสก็รู้เวลาของแข็งมาสัมผัสก็รู้ไม่ใช่ร่างกายเป็นผู้รู้ ร่างกายนี้เป็นเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งถ้าเราเอามีดไปฟันต้นไม้ไปตัดกิ่งไม้ต้นไม้จะไม่มีความรู้สึกเลยเพราะว่าต้นไม้ไม่มีใจไปครอบครองเป็นเจ้าของนั่นเองแต่ร่างกายของเรานี้มีใจมาเป็นเจ้าของมาครอบครองไว้มารับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มาสัมผัสกับร่างกายใจต่างหากเป็นผู้รับรู้แล้วก็สุข ทุกไปกับการรับรู้ของของร่างกายดังนั้นถ้าเราได้พบกับใจของเราแล้วเราจะรู้ว่าตัวที่เป็นปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไม่ได้อยู่ที่สิ่งต่างๆที่ใจไปรับรู้ไปเกี่ยวข้องด้วยแต่อยู่ที่ใจเองปัญหาของใจก็คือ ไม่สามารถอยู่เฉยๆได้ไม่สามารถอยู่นิ่งๆได้เพราะถูกอำนาจของความโลภความอยากคอยปั่นหัวเหมือนจิ้งหลีที่ถูกปั่นให้ร้องอยู่ตลอดเวลาความอยากต่างๆนี้เป็นตัวคอยผลักดันให้จิตให้ใจนี้ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสออกไปหาลาบยศจระเสริญ ด้วยวิธีการต่างๆแล้วก็ต้องมาวุ่นวายกับการดูแลรักษาวุ่นวายกับการสูญเสียเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างนี้มาตลอดเวลาและในขณะเดียวกันก็ต้องไปทำบาปเพื่อที่จะรักษาหรือหาสิ่งที่ตนเองอยากได้มาก็เลยต้องไปเกิดใหม่ทุกครั้ง หลังจากที่ร่างกายนี้แตกสลายดับไปแล้วไปเกิดที่สูงบ้างเกิดที่ต่ำบ้างก็ขึ้นอยู่กับการกระทำถ้าได้เกิดในครอบครัวที่ชอบทำบุญก็เป็นวาสนาเป็นบุญอย่างหนึ่งเพราะจะได้ร่วมทำบุญกับเขาถ้าเราเป็นคนที่ยังไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีหลักมีเกณฑ์ในตัวเรา เรายังต้องถูกสิ่งแวดล้อมเป็นตัวชักจูงถ้าเราได้ไปอยู่ในสังคมหรือในครอบครัวที่ดีที่ชอบทำบุญเราก็จะได้ทำบุญกับเขาแต่ถ้าเราไปอยู่ในสังคมที่ไม่ดีไปอยู่ในครอบครัวที่ชอบทำบาปเราก็จะทำบาป ก, กับเขาชีวิตของเราก็เลยมักจะขึ้นขึ้นลงลง ไปตกนรกบ้างไปขึ้นสวรรค์บ้างแล้วแต่ขึ้นอยู่กับภกชาติแต่ละภพที่เราได้ไปเกิดว่าได้ไปเกิดอยู่กับคนแบบไหนถ้าได้อยู่กับคนดีก็ได้ทำบุญตายไปก็ได้ไปสวรรค์ถ้าได้ไปอยู่กับคนบาปก็จะไปทำบาปตายไปก็จะไปตกนรกไปเกิดในอบายแต่ถ้าเรา ได้ทำบุญอยู่เรื่อยๆได้พบกับคนดีๆอยู่เรื่อยๆจน ต, ติดนิสัยในการทำความดีไปอย่างนี้ก็จะเป็นบุญของเรามากเพราะว่าถึงแม้ว่าในชาติต่อไปเราไปเกิดในสังคมของคนบาปครอบครัวของคนบาปแต่เราจะไม่ชอบทำบาปกลับไปกับเขาเราจะชอบทำบุญ เพราะมันติดเป็นนิสัยของเราไปแล้วดังนั้นเราจรึงควรพยายามที่ทำบุญให้มากเพื่อให้มันติดเป็นนิสัยของเราไปเพราะว่าหลังจากที่เราตายไปแล้วเรากลับมาเกิดใหม่เราไม่รู้ว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้เกิดในสังคมของคนที่ชอบทำบุญหรือไม่แต่ถ้าเราชอบทำบุญเราก็จะทำบุญต่อไป เช่นพระพุทธเจ้าถึงแม้ได้ชาติสุดท้ายได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแต่อยู่ในตระกูลที่ต้องทำสงครามต้องทำการต่อสู้มีการฆ่าฟันกันแต่พระองค์นั้นเนื่องจากได้ทรงบำเพ็ญบุญบารมีเช่นศีลบารมีมาก่อนแล้วคือจะไม่ชอบทำบาปจะไม่ชอบฆ่าสัตว์ตับชีวิต ยึงไม่ปรารถนาที่จะอยู่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระราชกูมานทาั้งๆที่มีโหนได้พยากรณ์ไว้ว่าถ้าได้ครองราชจะได้เป็นมหาจักรพรรดิแต่การจะเป็นมหาจักรพรรดิได้นี้ต้องไปทําสงครามต้องไปรุกรามผู้อื่นไปฆ่าฟันผู้อื่นซึ่งมันขัดกับนิสัยที่พระองค์ได้ทรงปลูกฝังมา จึงได้ทรงรักษาศีลมาในอดีตจนการที่อยากจะทำบาปนี้ไม่มีความอยู่ในพระไตยของพระองค์ <c oughs> พระองค์จึงต้องออกไปบวชไปอยู่ในป่าให้เขาเพราะนี่เป็นนิสัยของพระโพ ธ, ธิสัตว์ผู้ที่จะตัดสั้เป็นพระพุทธเจ้าต่อไปท่านได้บำเพ็ญทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเมตตาบา ร, รมีมา การที่ยาให้ท่านไปทำบาปทำกรรมไปไปรังความไปเบียดเบียนผู้อื่นนั้นจึงเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้เพราะว่าได้ทรงปลูกฝังนิ ส, สัยที่ดีไว้ในใจจนทำจนผลักดันให้พระองค์ได้ตัดสู่เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานั่นเองดังนั้นเวลาที่เรา มาได้มาเกิดเป็นมนุษย์เรามีโอกาสมีทางเลือกไม่เหมือนกับเดรัชานี้ไม่มีทางเลือกเดรัชานี้เขาต้องฆ่ากันเป็นอาหารแต่เราเป็นมนุษย์เรามีทางเลือกและเราก็มีวาสนามีคนสอนให้เรารู้จักกฎแห่งกรรมให้เรารู้จักการที่จะพัฒนาชีวิตจิตใจของเราให้ขึ้นสูงได้ ด้วยการพยายามทำบุญให้มากด้วยการละบาปด้วยการชำระความโลภความโกรธความหลงของเราให้น้อยลงไปให้เบาบางลงไปเราจึงต้องพยายามฝืนใจของเราทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพราะว่าธรรมดาแล้วใจของเรานี้ยังชอบไปในทางที่ไม่ดีอยู่ยังชอบทำบาปหรือยังชอบ ทำตามกิเลสมากกว่าทำตามธรรมเช่นเวลาให้นั่งสมาธิกับให้ดูหนังนี่ถามตัวเองดูว่าอันไหนจะง่ายกว่ากันดูหนังนี่มันง่ายกว่าเพราะมันมันติดมาเป็นนิสัยของเราแต่มันเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของการมาฉันทะความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสส่วนเวลานั่งสมาธินี่เป็นธรรมะเป็นบุญกุศลแต่เราไม่ค่อยได้ทามา เราก็จะไม่อยากจะทำเพราะรู้สึกว่ามันยากนั่นเองแต่เราต้องสูนต้องพยายามทำไปเรื่อยๆต่อไปมันจะง่ายเองไม่ว่าอะไรก็ตามเวลาทำแรกๆนี้จะรู้สึกว่ายากแต่ถ้าทำไปเรื่อยๆอย่างสม่าเสมอแล้วต่อไปก็จะง่ายเช่นเวลาหัดพิมพ์ดีใหม่ๆนี้ก็จะรู้สึกว่ายากเพราะเราไม่เคยแต่พอเราหัดทาพิมพไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะง่าย ขับรถก็เหมือนกันเวลาขับรถใหม่ๆนี่รู้สึกว่ายากมากชนคนบางคนนี่ไม่กล้าขับเลยแต่ถ้าเราพยายามเพราะเรารู้ว่าการขับรถเป็นนี้เป็นประโยชน์เราก็พยายามหัดไปหัดไปแล้วในที่สุดเราก็ขับรถเป็นเช่นเดียวกับการปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าคือทาบุญละบาป ชำระใจชำระกิเลสทันหาให้หมดไปจากใจนี้ก็เป็นสิ่งยากที่ยากในเวลาที่เราเริ่มทำใหม่ๆแต่ทำไปแล้วต่อไปก็จะง่ายเองไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระอาหารหันต์มาเกิดในโลกนี้เพราะพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันต์ก็มาจากปุตุชนอย่างพวกเราที่ไม่ชอบทำบุญละบาปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ เพียงแต่ว่าบุคคลเหล่านี้ท่านฉลาดท่านเห็นคุณค่าของการทำบุญน้าบาตการชำระใจให้สะอาดบริสุดจึงฝืนฝืนใจทำไปในเบื้องต้นจนในที่สุดก็กลายเป็นนิสยัยฝปแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์ไปในที่สุดพวกเราทุกคนก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเพราะท่านก็เป็นเหมือนเรามาก่อน ดังนั้นขอให้พวกเรามีความเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนให้เชื่อมั่นในความสามารถของพวกของเราว่าเราทำได้เช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายถ้าเรามีความเชื่อมั่นแบบนี้แล้วเราจะทำได้และเราจะได้ผลอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมามาสร้างบุญสร้างกุศล